อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ251 1. 1. ิภิกษุชั้นของที่เป็นยามะกาลิกสัตตหาหกาลิกและยาวะชีวิกเมื่อมีเหตุผลที่สมควร 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติวิกาลโภชนะสิกขาบทที่7จจบ